เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่30มสมีนาคมพุทธศักราชส5งพเป็นวันพระวันธรรมสวนาวันฝังธรรมวันที่สาธุชน พุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในภาพรวมภาษาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการดูแลรักษาจิตใจของตนให้แข้วแกาปลาดอดภัย ให้มีแต่ความสุขและความเจริญสิ่งต่างๆในโลกนี้เราไม่สามารถรักษาได้มีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เรารักษาได้ก็คือใจของเราเพราะใจของเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายเป็นสิ่งที่ไม่ดับเป็นสิ่งที่ไม่สูญไปแต่สิ่งอื่นๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นสิ่งที่ต้องดับ ที่ต้องสูญไปต่อให้มีมากน้อยเพียงไรต่อให้ดูแลรักษาให้ดีอย่างไรก็ตามในที่สุดก็จะต้องสูญเสียเขาไปทั้งของทั้งผู้อื่นและตัวเราเองคือร่างกายของเราเองร่างกายของผู้อื่นเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายของเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆลาภยศเสริญสุขต่างๆก็มีวันเสื่อมมีวันหมดไปเป็นธรรมดาเราจึงไม่ควรที่จะเสียเวลากับการรักษาสิ่งที่เรารักษาไม่ได้สิ่งที่ไม่อยู่กับเราไปตลอดมีสิ่งเดียวที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าเราจะไปอยู่ที่ไหน ก็คือใจของเรานี้เองใจของเรานี้ถ้าได้รับการดูแลแล้วจะให้ความสุขกับเราไปตลอดแต่ถ้าไม่ได้รับการดูแลก็จะให้ความทุกข์กับเราอย่างที่เราทุกข์กันอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเรายังดูแลใจของเราไม่ได้อย่างทั่วถึงยังไม่ได้ดูแลอย่างตลอดเวลาบางเวลาก็ดูแล เช่นวันนี้เรามาดูแลรักษาใจด้วยการมาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมแต่บางเวลาเราก็ปล่อยปละละเลยปล่อยให้ใจถูกสิ่งอื่นๆมากระทบกระทั่งสิ่งอื่ น, นมามาคุกคามมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับกับเราเพราะเราไม่ ได้ดูแลรักษาใจอย่างตลอดเวลานั่นเองเราจึงควรที่จะเพิ่มเวลาการรักษาใจของเราให้มากขึ้นการนาวัดนี้ก็เป็นการรักษาใจเพราะออกจากวัดเราก็ควรจะรักษาใจต่อสิ่งที่มีความสำคัญต่อการรักษาใจก็คือพรหมวิหารสีคือเมตตากรุณา มุติตาและอุเบกขาทำทั้งสี่ประการนี้ถ้ามีอยู่ในใจแล้วจะรักษาให้ใจมีแต่ความสงบมีความสุขระงับจากความโลภความโกรธความหลงต่างๆได้เราจึงควรที่จะเจริญพรมวิหารสี่กันเช่นเวลาเรามาทำบุญให้ทานตักบาทถวายสังฆทานนี้ เรียกว่าเรากำลังเจริญเมตตาธรรมและกรุณาธรรมเมตตาก็คือเรามีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นคิดดีต่อผู้อื่นไม่คิดร้ายต่อผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขวันนี้เราปรารถนาให้พระภิกษุที่อยู่ในวัด น, นี้มีความสุข ด, ด้วยการ นำข้าวของต่างๆมาถวายและก็เป็นความการุณาคือความปราปรถนาที่จะให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์พ้นจากความเดือดร้อนอย่างเวลาใดเจ้าเราเห็นผู้ใดเดือดร้อนลำบากถ้าเราพอจะช่วยเหลือได้ก็ควรจะช่วยเหลือเช่นเห็นคน เดินถือของมามากๆถือไม่ไหวถ้าเราพอที่จะแบ่งเบาภาระให้กับเขาได้ก็ควรที่จะช่วยเขาถือข้าวถือของหรือเวลามีการทำกิจกรรมอะไรต่างๆเราก็ไม่ควรดูได้ควรช่วยเหลือกันเห็นคนอื่นเข้าล้างถ้วยล้างชามกวาดรูสาลาล้างห้องน้ำ เราถ้ามีเวลาว่างพอเราก็มาช่วยกันกวาดถูสาราล้างห้องน้ำอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นการมีความกรุณามีความปรารถนาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นให้มีความทุกข์ยากลำบากน้อยลงไป แล้วเวลาที่เรามารักษาสิง น, นี่ก็เป็นการเจริญเมตตาคือเราไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองสับเบสัตตาอเวราสนตุเราจะไม่มีเวรต่อสัตว์ทั้งปวงสัตว์นี้ไม่ได้หมายความว่าเดรัชานแต่หมายความทีว่าหมายความว่าสัตว์โลก คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกิดในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นกายทิพย์ชนิดต่างๆเช่นเทพเช่นพรหมหรือเปรตหรือผีเหล่านี้เรียกว่ากายทิพย์เป็นสัตว์เหมือนกันเราควรที่จะแผ่เมตตาให้กับสัตว์ทั้งปวงคือเราอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปจองเวรจองกรรม ใครเขาพูดอะไรไม่ดีทําอะไรไม่ดีสร้างความทุกข์สร้างความไม่สบายใจให้แก่เราเราอย่าไปอาฆาตพยาบาทจองเวงจองกรรมเพราะความอาฆาตพยาบาทจองเวงจองกรรมนี้เป็นความทุกข์เป็นความรุ่มร้อนของจิตใจเป็นไฟนรก ผู้ใดที่มีความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไปใช้เวรใช้กรรมในนรก่ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะจองเวรจองกรรมเพราะไม่ได้เป็นการรักษาใจแต่เป็นการทำลายใจสร้างไฟนรกให้เกิดขึ้นภายใน ใ, นใจมาเผาพานจิตใจและเมื่อร่างกายตายไป ก็จะต้องไปอยู่ในนรกเนี่เพราะความอาฆาตพยาบาร์จองเวรจองกรรมเพราะไม่มีความเมตตาไม่รู้จักการให้อภัยไม่อโหสิกรรมให้ต่อผู้อื่นการอโหสิกรรมนี้เป็นสิ่งที่ดีมากเพราะจะทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเรามีความสุขมีความสบาย แต่ความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมนี้จะทำให้ใจของเรามีความทุกข์ความรุวมร้อนใจกินไม่ได้นอนไม่หลับดังนั้นเราต้องดูใจเป็นหลักอย่าเอาความพอใจเอาความสะใจเป็นหลักอย่าไปคิดว่าเขาทำเราแล้ ว, ลวเราต้องทำกลับตาต่อตาฟันต่อตา นี่เป็นความคิดที่ผิดเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดเป็นชอบเพราะไม่ได้ทำประโยชน์ให้กับใจไม่ได้รักษาใจแต่กับสร้างโทษให้กับใจกับการเป็นการทำลายจิตใจพอจะสร้างเวรสร้างกรรมขึ้นมาเมื่อเราไปทำเขาแล้วเขาก็จะจองเวรจองกรรมเราต่อเราเผลอเมื่มอไหร่เราก็ จะถูกเขาทำลายเรา ท, าทันทีแต่ถ้าเราให้อภัยอโหสิกรรมได้เราจะปลอดภัยเพราะเขาจะไม่คิดทำลายเรายังในอนิสง์ของความมีเมตตานี้ท่านกะแสดงไว้ว่าผู้ที่มีความเมตตานั้นจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะไม่มีใครเกลียดเราจะไม่มีใคร อาฆาตพยาบาทเราจะไม่มีใครอยากจะทำลายเราแล้วก็ท่านว่าผู้มีเมตตานี้จะไม่ตายด้วยอาวุธจะไม่ถูกผู้อื่นฆ่าด้วยอาวุธจะไม่ถูกผู้อื่นฆ่าด้วยยาพิษเพราะเราจะไม่มีผู้ที่จะจะมาฆ่าเรานั่นเองเพราะเราไม่ได้ไปทําให้เขาโกรธแค้นโกรธเคืองอาฆาตพยาบาทเมื่อเราไม่มี คนที่จองเวรจองกรรมเราก็จะอยู่อย่างปลอดภัยนี่คือการรักษาใจที่ดีที่สุดคือรักษาด้วยศีลรักษาด้วยความเมตตาอย่ารักษาด้วยอาวุธ <c oughs> เช่นไปซื้อปืนซื้ออาวุธต่างๆมาเก็บไว้ในบ้านเพื่อป้องกันชีวิตของเราอย่างนี้ไม่ใช่เป็นวิธีของนักปรา ไม่ใช่เป็นวิธีของการรักษาใจเพราะมีอาวุธแล้วเราก็จะต้องใช้อาวุธเมื่อใช้อาวุธแล้วเราก็จะต้องใช้เวงใช้กรรมต่อไปการรักษาป้องกันชีวิตและป้องกันใจของเราที่ดีที่สุดก็ป้องกันด้วยความเมตตากรุณาและความไม่ประมาทภัยที่จะเกิดขึ้นกับใจของเรานี้มีมามีอยู่สองส่วนด้วยกัน ส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการกระทำของเราเองอีกส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการกระทำของผู้อื่น mm hmm. การกระทำของเราก็คือเราไปทำบาปทำกรรมไปสร้างเวรสร้างกรรมไว้ไปสร้างความอาฆาตพยาบาทให้แก่ผู้อื่น mm hmm. นี่เป็นการกระทำของเราพอเราทำแล้ว mm hmm. เขาก็จะต้องมาตามจองล้างจองผลาญ ถ้าเราไม่กระทําก็จะไม่มีคนมาจองล้างจองคลานเรายกเว้นคนที่เขาตามมาล้างแค้นจากพพก่อนชาติก่อนอย่างนี้เราก็ต้องใช้ความไม่ประมาณคือพยายามอยู่ในที่ปลอดภัยอย่าไปอยู่ในที่อันตรายเสี่ยงต่ออันตรายทั้งหลายก็จะช่วยบรรเทา ภัยจากผู้อื่นได้ลงไปแต่ไม่สามารถบรรเทาได้หมดเพราะถ้าเมื่อถึงเวลาที่กรรมเขาจะแสดงผลต่อให้เราอยู่ที่ปลอดภัยอย่างไรก็จะไม่สามารถหนีหนีได้แม้แต่เป็นพระอาหารหันต์ก็ยังไม่สามารถหนีได้เช่นพระโมคคลลาเวลาที่ท่านถูกเขาฆ่าตาย ท่านก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของกรรมท่านไม่สามารถที่จะหนีได้หนีเขาได้ในวันนี้พรุ่งนี้เขาก็จะตามมาอีกจนกว่าจะใช้กรรมหมดมันถึงจะไม่ตามมาดังนั้นเราจึงไม่ควรไปสร้างเวรสร้างกรรมส่วนเวรกรรมที่เราสร้างมาแล้วเราก็ต้องทำใจทำใจให้สงบทำใจให้เป็นอุเบกขา อุเบกขานี่ก็เป็นการรักษาใจอย่างหนึ่งเพราะเมื่อใจเป็นอุเบกขาแล้วต่อให้ผู้อื่นฆ่าเราหรือทำร้ายเราจะไม่สามารถเข้าไปถึงใจของเราจะทำร้ายได้เพียงร่างกายเท่านั้นแต่ใจจะเป็นปกติเหมือนใจที่อยู่ในหลุมหลบภัยเวลามีเครื่องบินมาทิ้งระเบิด สมัยก่อนจะมีที่หลบภัยถ้าเข้าไปอยู่ในที่หลบภัยแล้ว mm hmm. ก็จะปลอดภัยจากลูกระเบิดฉันใดอุเบกขาก็เป็นเป็นที่หลบภัยของใจเราควรจะทำใจของเราให้นิ่งให้สงบให้ปล่อยวางด้วยการเจริญสมาธิภาวนาหรือสมถะภาวนาการทำจิตใจให้สงบนี้แล เป็นการสร้างหลุมหลบภัยให้จากใจของเราเวลามีเรื่องอะไรมากระทบกับใจเราก็หลบเข้าไปในอุบเบกขาเช่นเราไม่สบายใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคนนั้นกับคนนี้หรือหวาดกลัวกับภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับเราเราก็ทำสมาธิพอทำจิตใจให้สงบแล้วเราก็จะลืมเรื่องต่างๆไปหมด เรื่องต่างๆก็จะไม่สามารถเข้ามาในใจของเราได้ถ้าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นกับเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นแต่จะไม่เกิดขึ้นกับใจร่างกายนี้ถึงแม้ไม่มีเวรไม่มีกรรมมาจองล่างจองผลานมันก็จะต้องตายของมันเองโดยธรรมชาติอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวตายไม่ต้องไปรักษาร่างกายให้มากจนเกินไป รักษารักษาพอประมาณดูแลรักษาไปตามตามปกติมีข้าวก็ให้ข้าวกินให้ยารักษาโรคให้มีเสื้อผ้าใส่ให้มีบ้านอยู่ที่ปลอดภัยจากภัยต่างๆเท่านี้ก็พอแล้วสำหรับการดูแลรักษาร่างกายมากไปกว่า น, นั้นก็ไม่สามารถที่จะ ป้องกันไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้ให้เราควรจะทุ่มเทเวลาและชีวิตจิตใจของเรามารักษาใจของเราจะดีกว่าเพราะใจของเรานี้จะอยู่กับเราไปตลอดร่างกายนี้จะไม่อยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปแต่ใจนี้จะอยู่กับเราถ้าเรารักษาใจดีเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ถ้าเราไม่รักษาใจเราก็จะอยู่อย่างทุกทรมานใจนี่คือเรื่องของใจเราเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เรารักษาใจยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดดังที่ทรงตรัสไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานไม่มีอะไรที่จะมีความสำคัญยิ่งกว่าใจของเราเองถ้ารักษาใจได้แล้วเราจะมีแต่ความสุข ไม่มีความทุกข์ถ้าเรารักษาไม่ได้เราจะมีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขต่อให้เรามีเงินทองกองเท่าภูเขามีอยู่มียาไว้คอยรักษาร่างกายมีอะไรต่างๆมาคอยป้องกันร่างกายแต่มันจะไม่สามารถป้องกันใจได้ต่อให้อยู่ในที่ปลอดภัยขนาดไหนก็ตามใจก็ยัง ทุกทรมานกับความกลัวตายอยู่ดียังทุกทรมานกับภัยต่างๆอยู่ดีเพราะใจไม่มีที่หลบภัยนั่นเองไม่มีอุเบกขาเพราะพพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้พวกเราทำใจให้เป็นอุเบกขากันด้วยการเจริญสมถภาวนาคือการนั่งสมาธินี่เองการนั่งสมาธิเพื่ออะไร เพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งของใจถ้าใจหยุดความคิดปรุงแต่งได้แล้วใจจะเย็นจะสบายจะไม่มีเรื่องราวต่างๆเข้ามาเหยียบยำ่ำสร้างความทุกข์ให้กับใจสิ่งที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจคืออะไรก็คือความคิดของเรานี้เองพอเราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจของเราก็ว้าวุ่นขึ้นมาแล้วถ้าเราคิดถึงความผิดที่เราทาไว เราก็จะวิตกกังวลแล้วถ้าเราคิดถึงเจ้าหนี้เราก็จะปวดหัวแล้วถ้าเราคิดถึงปัญหาต่างๆเราก็จะไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจแต่ถ้าเราทำจิตใจให้สงบระงับจากความคิดปรุงแต่งต่างๆได้แล้วใจของเราก็จะเย็นจะสบายถึงแม้ว่าปัญหาต่างๆยังไม่หมดไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไร ปล่อยให้ปัญหาก็อยู่ข้างนอกไปส่วนใจนี้เราเย็นเราสบายเราจะเสียอะไรไปก็ให้มันเสียไปร่างกายจะถูกเขาฆ่าหรือถูกเขาจับไปเข้าคุกเข้าตารางหรือถูกเขาไปทรมานด้วยวิธีการต่างๆก็ปล่อยให้เขาทําไปเราห้ามเขาไม่ได้แต่เราจะรักษาใจของเราไม่ให้ไปวุ่นวาย ไม่ให้ไปทุกข์กับความเป็นไปของร่างกายได้ถ้าเรารู้จักวิธีทำใจให้เป็นอุเบกขาทำใจให้สงบวิธีที่จะทำให้เป็นอุเบกขาก็มีอยู่สองวิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือการทำสมาธิทำจิตใจไม่ให้คิดของเรื่องต่างๆปล่อยกรรมพุโทโธพุโทโธไปเช่นเวลาเราไม่สบายใจกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดแต่พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆหรือจะนับหนึ่งสองสามี่ห้าหเจ็ดแปนับไปถึงรอยก็ได้แล้วนับถอยหลังกลับมาถึงร0อยแล้วก็ถอยกลับมา 99, 98, 97นับกลับมาถึงศูนแล้วก็เริ่มนับขึ้นไปใหม่อย่างนี้ก็ได้อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจ ให้เราอยู่กับเรื่องการนับนับหนึ่งสองสาไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวไม่นานใจก็จะสงบใจก็จะหยุดคิดถึงเรื่องที่สร้างความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆแล้วเราก็จะมีอุเบกขาใจก็จะปล่อยวางชั่วคราวลืม เ, เรื่องปัญหาลืมเรื่อง ที่จะสร้างความทุกข์ความกังวลกวายใจต่างๆได้ชั่วคราวแต่ไม่สามารถลืมได้ตลอดเพราะถ้าเราหยุดนับเมื่อไหร่หยุดบริกรรมพุทธโธเมื่อไหร่พอเราเผลอเดี๋ยวก็จะกลับไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะทําให้เกิดมีความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างขึ้นมาอีกเราก็ต้องใช้วิธีที่สองเวลาที่เราไม่อยู่ในสมาธิ หรือถ้าเรายังสามารถทำสมาธิได้ก็ทำต่อไปเช่นเราออกจากการนั่งสมาธิแล้วเรามาทำงานทำการพอใจจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็เริ่มนับต่อไปได้นับหนึ่งถึงร้อยต่อไปหรือบริกรรมพุทโธพุทโธต่อไปอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับเรื่องของงานที่เรากำลังทำอยู่ เช่นเรากำลังเขียนหนังสือก็ให้อยู่กับการเขียนหนังสือถ้าเรากำลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารถ้ากำลังเดินก็ให้อยู่กับการเดินถ้ากำลังอาบน้ ำ, ำ, นนำก็ให้อยู่กับการอาบน้ำอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นให้อยู่กับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เราก็จะสามารถระ ง, งับความทุกข์ความกังวลกวายใจได้ ถ้ามันไม่สามารถอยู่กับเรื่องที่กำลังทำอยู่เราก็ต้องนับด้วยหรือบริกรรมพุทโธไปด้วยทำอาบน้ำไปก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปรับประทานอาหารก็บริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือนับหนึ่งสองสามสี่ห้าไปอย่าไปคิดถึงเรื่องต่างๆแล้วใจของเราจะสบายถ้าเราอยากจะรักษาหรือแก้ปัญหา เรื่องให้มันสิ้นสุดไปอย่างถาวรเราก็ต้องใช้ปัญญาเราต้องมองว่าเรื่องต่างๆนี้มันก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นสิ่งที่เราไปบังคับไม่ไดเนนาา้เป็นอนัตตาเป็นอนิจจงอนิจจงไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปปัญหาต่างๆมันต้องหมดไปไม่ช้าก็เร็วมันไม่หมดไปก่อนเราก็ต้องหมดไปก่อนคือเราต้องตายไป พอเราตายไปเรื่องราวต่างๆมันก็ตามเราไปไม่ได้มันก็หมดไปเองดังนั้นเราไม่ต้องไปทำอะไรถ้าเราแก้ได้ก็แก้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับเขาได้นั่นเองเราต้องทำใจคืออยากได้อะไรแล้วไม่ได้ดังใจก็ต้องทำใจ อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าไม่ได้ดังใจก็ต้องทำใจปล่อยเขาไปเขาอยากจะเป็นอย่างนั้นก็ปล่อยเขาไปอย่าไปวิตกอย่าไปทุกข์กับเขาเช่นรักลูกห่วงลูกเห็นลูกไปทำตัวไม่ดีประพฤติไม่ดีก็พยายามที่จะบอกเขาสอนเขาไม่ให้ทำแต่เขาก็ไม่เชื่อเขาจะทำแล้วเราจะทำอย่างไรเราจะมาทุกข์กับเขา เพื่ออะไรก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกินไม่ได้นอนไม่หลับกรสับกระสายก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนเขาได้ไม่ได้ทำให้เขาเลิกทำในสิ่งที่ไม่ดีได้เราต้องยอมรับความจริงเมื่อเราทำหน้าที่ของเราแล้วก็ต้องปล่อยวางเรามีหน้าที่อะไรเรามีหน้าที่บอกเขาสอนเขาเมื่อบอกแล้วสอนเขาแล้วก็จบหน้าที่ของเรา เขาจะฟังหรือไม่ฟังมันไม่ใช่หน้าที่ของเรามันเป็นหน้าที่ของเขาถ้าเขาทำเขาหยุดการกระทำไม่ดีมันก็เป็นประโยชน์กับเขาถ้าเขาไม่หยุดมันก็เป็นโทษกับเขาเองมันไม่เป็นโทษกับเราแต่ถ้าเราไม่ยอมหยุดเราไม่ยอมรับความจริงเรายังอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่เราก็จะเป็นผู้รับโทษเราก็จะรับความทุกข์ทรมานใจ นี่คือการใช้วิปัสสนาหรือปัญญาต้องมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นอนัตตาก็คือเราควบคุมบังคับไม่ได้แล้วเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดไปติดถ้าเราไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา ท, ทันทีแต่ถ้าเรา ทำใจเป็นอุเบกขาปล่อยวางช่างมันเราทำหน้าที่ของเราแล้วเราพยายามทำเต็มที่แล้วทำได้เท่านี้แล้วก็เท่านั้นจะอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดไปช่วยไม่ได้ถ้าอะไรจะเกิดกับเรามันก็ต้องเกิดถ้าเราจะต้องตายมันก็ต้องตายถ้าเราจะต้องตกงานมันก็ต้องตกงาน ถ้าเราจะต้องอยู่คนเดียวก็ต้องอยู่คนเดียวเป็นเรื่องที่เราช่วยไม่ได้แต่เราจะไม่เดือดร้อนเราจะไม่วุ่นวายเราจะไม่ทุกข์ทรมารายถ้าเราปลงได้เรายอมรับความจริงได้ว่าอะไรจะเกิดก็เกิดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับไม่ได้เหมือนกับเราบังคับฝนไม่ได้จะสั่งให้ฝนตกหรือไม่ตกไม่ได้ จะฟังจะสั่งให้พระอาทิตย์หยุดเดินไม่ได้พระที่จะต้องเดินไปตามทางของเขาฝนก็จะต้องตกไปตามเวลาของเขาเราไปสั่งเขาไม่ได้ฉันใดคนอื่นเราก็ไปสั่งเขาไม่ได้เช่นเดียวกันคนอื่นเขาจะทำอะไรเราไปห้ามเขาไม่ได้ห้ามได้ก็ได้บางครั้งบางคราวแต่ไม่ได้ตลอดไปบางเวลาเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่ฟังเรา เราก็ต้องยอมรับความจริงการยอมรับความจริงนี่แหละเรียกว่าวิปัสสนาคือรู้แจ้งเห็นจริงรู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนี่มันเป็นอย่างนี้เราไปเปลี่ยนมันไม่ได้เราต้องยอมรับความจริงพอเรายอมรับความจริงได้แล้วความทุกข์ความกังวลกวใจความทรมานใจก็จะหายไปใจก็เป็นอุเบกขาปล่อยวางทุกอย่าง อะไรจะเกิดก็เกิดรักษาใจได้อย่างเดียวเท่านั้นยังอื่นรักษาไม่ได้แม้แต่ร่างกายของเราก็รักษาไม่ได้สักวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปแต่ไม่มีแต่ใจนี้จะไม่จากเราไปใจกับเรานี้อยู่คู่กันไปตลอดเพียงแต่ว่าจะอยู่แบบไหนจะอยู่แบบทุกข์ทรมานใจหรืออยู่อย่างสุขอย่างสบาย ถ้าอยู่อย่างสุขทพยอ่างสบายก็อยู่อย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ตัาวกทั้งหลายท่านไม่ยึดไม่ติดกับทุกสิ่งทุกอย่างท่านปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องการทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยหมดไม่เอาอะไรเลยเอาใจอย่างเดียวพวกเราก็เช่นกันถ้าเราทําอย่างพระพุทธเจ้าเราก็จะได้อย่างพระพุทธเจ้าได้คือจะได้ความสุขไปตลอดความสุขใจไปตลอด ได้ใจที่มีความสุขไปตลอดอย่าไปเอาอะไรอย่าไปเสียดายอะไรเพราะไม่มีอะไรที่จะอยู่กับเราไปได้ตลอดนั่นเองนี่คือเรื่องของการดูแลรักษาใจเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากยิ่งกว่าสิ่งมึนใดในโลกนี้จึงขอให้เราพยายามรักษาใจการให้แง่ผ า, าวิธีรักษาใจก็คือการนวัด น, นีเอง มาทำบุญให้ทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาเพื่อทำให้ใจเกิดมีความเมตตากรุณามุดิตาและอุเบกขาเมื่อมีคุณธรรมทั้งสี่ประการนี้แล้วใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ความวุ่นวายใจจะมีแต่ความสุขไปตลอด จึงขอฝากเรื่องของการมาวัดเพื่อมารักษาใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้